ที่จังหวัดอุดรมีหลวงพ่อรูปหนึ่งนะท่านเป็นเจ้าวาดแล้วก็เป็นพระราชาคณะก็คือเป็นเจ้าคุณด้วยแต่ว่าท่านเป็นพระทิอารมณ์ดีแล้วก็เรียบง่ายชาวบ้านรู้สึกคุ้นเคยสนิทสนม เรีย ก, ท, ท, ยกท่านว่าหลวงพ่อดีเนาะทำไมถึงเรียกท่านว่าหลวงพ่อดีเนาะนะเพราะว่าเวลาท่านเจอแล้วก็ตามนี่ท่านก็เห็นดีไปหมดนะไม่เคยรู้สึกว่ามันแย่เลยนะมีคราวนึงก็มีโยมมานิมนต์ท่านให้ไปฉันเพล ไม่ใช่ฉันเพลงฉชั้นเช้าเขามีงานใหญ่หลวงพ่อท่านก็รอรอที่วัดันนะรอจนสายเขาก็ไม่มาหลวงพ่อก็เลยบอกว่าไม่มาก็ดีเนาะเราก็ฉันอาหารของเราฉันได้ไม่กี่คำราะว่าเจ้าภาพมาพอดีก็มานิ ม, มน หลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่าเออก็ดีเนาะไปฉันอาหารของเขานะอระหว่างที่เดินทางไปสถานที่จัดงานก็ปกว่ารถเสียนะไปไม่ได้หลวงพ่อก็ต้องรอให้เขาซ่อมท่านก็ว่าดีเนาะได้ชมวิวปรากว่ามันซ่อมไม่ได้นะ มันต้องเข็นและคนเดียวเข็นไม่พอนะต้องนิ ม, มนต์หลวงพ่อช่วยเข็นด้วยนะหลวงพ่อท่านก็แก่แล้วท่านก็ว่าไม่เป็นไรนะดีเนาะได้ออกกำลังกายปรากฏว่าไปถึงงานช้ามันเลยเพลไม่สละนะเป็นนั้นว่าเช้าก็ไม่ได้ฉันนะเพนก็ไม่ได้ฉันนะ ท่านก็ไม่ว่าอะไรแค่นั้นไม่พอเขาให้ท่านเนี่ยขึ้นธรรมมาเลยเทศท่านก็ว่าดีเนาะมาถึงก็ได้ทำงานเลยท่านก็แสดงทำไปเรื่อยจนจบโยมเขาก็เอากาแฟมาถวายท่านปเป็นไปเกิดความผิดพลาดขึ้นแทนที่จะ เติมน้ำตาลถวายท่านก็ไปเติมเกลือให้ท่านไปเติมเกลือใส่ในกาแฟาท่านฉันก็เออก็ดีนะลูกเิษย์นี่เห็นท่านฉันแล้วก็เหลือก็อยากฉันเพราะว่าถือว่าเป็นของครูบาจารย์นี่ฉันแล้วได้บุญก็เลยฉันกแฟต่อไอ้กิเลกก็เลยกินกาแฟาต่อจากท่านเพราะว่า พอกินไปก็เกือบจะอ้วกนะเพราะว่ามันเค็มนะก็เลยบอกหลวงพ่อว่าเนี่ยหลวงพ่อบอกว่ามันดีได้ยังไงนึ่ว่ามันอร่อยนะท่านก็บอกว่าก็ฉันกาแฟหวานมาบ้างมามากแล้วนะชานก็แฟเค็มเค็มบ้างก็ดีเหมือนกันคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับท่านนี่เรียกว่าดีหมดนะแล้วก็มีเรื่องเล่า ว, ว่าอคราวหนึ่งนี่มีโจร ขึ้นมาที่กุฏิท่านนะว่าท่านวัดใหญ่นะวัดมัชิ ม, มาวะนี่ก็เป็นวัดเก่าวัดแก่ท่านก็เป็นเจ้าขุนด้วยโจนก็ขึ้นมาปล้นที่กุฏิท่านนะท่านก็ว่าก็ดีเนาะโจนถามว่าดียังไงท่านก็ตอบว่าฉันก็ทุกข์เพราะว่าต้องคอยรักษาทรัพย์สมบัติพวกนี้ แกวไปก็ดีเหมือนกันนะฉันจะได้ไม่ต้องเหนื่อยโจยบอกว่าผมไม่ได้เอาแต่ของนะผมจะต้องฆ่าหลวงพ่อด้วยเพราะว่าต้องปิดปากเจ้าทรัพย์นะใหถ้าเป็นหลวงพ่อดีเนาะจะตอบว่ายังไงท่งันก็บอกก็ดีเนาะดียังไงเหรอก็ฉันแกแล้วไม่อยากทุกข์ทรมานแกมาช่วยฉันให้ไปไวๆก็ดีเหมือนกันนะโจได้ฟังก็ใจอ่อน ก็เลยบอกหลวงพ่อว่างั้นผมไม่ฆ่าหลวงพ่อแล้วล่ะท่านก็ตอบว่าดีเนาะดียังไงท่านก็ตอบว่าถ้าแกฆ่าฉันเนี่ยนะมันก็จะเป็นบาปเป็นกรรมกับแกนะจะต้องได้รับความทุกข์ทั้งในชาตินี้ชาติหนะ้าอย่างน้อยๆ น, นี่โจงก็ต้องมาไล่จับแกจับแกเข้าคุกหรือไม่ก็ยิงแกตายตายไปแกต้องตกนรกด้วยหนะลงโจงก็เลยฟังก็ ใจอ่อนแล้วก็เกิดได้คิดขึ้นมาก็เป็นนั้นว่านอกจากจะไม่ข้าหลวงพ่อแล้วก็ก็เลยเลิกปุน่นซัพท์หลวงพ่อด้วยได้ทราบว่าตอนหลังนี่กิติซั์หลวงพ่อดีแล้วก็เพกไกลนะถึงในหลวง <c oughs> เวลาเลื่อนเลื่อนสมณศักดิ์ท่านเป็นชั้นเทพเนะี่ยก็ไม่ใช่แค่เป็นพระเทพวิสุทธิธาจาร์เดียวแต่ว่ามีรชนาชทินานามด้วย ว่าสาธุอุทานธรรมเวทีแปลว่าดีเนาะนั่นเองนะสาธุก็แปลว่าดีอุทานก็แปลว่าอกล่าวสาธุอุทานธรรมวาทีก็เป็นผู้ที่ชอบกล่าวคําว่าดีเนาะนะอ่านี่ก็เป็นเป็นเรื่องราวของหลวงพ่อที่ น่าน่าเป็นแย่คิดให้กับพวกเราได้นะเพราะว่าท่านสามารถที่จะมองเห็นแง่ดีของทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับท่านแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดีในสายตาคนทั่วไปนะแต่ว่าท่านก็มองเห็นแง่ดีเป็นหมดนะท่านก็เลยเป็นคนมีอารมณ์ดีนะ แล้วก็การที่ท่านมองอะไรในแง่ดีก็เลยทำให้ท่านไม่ทุกข์ไม่มีอะไรจะทำให้ท่านทุกข์ได้เลยเคนเรามักคิดว่าจะไม่ทุกข์ก็ต่อเมื่อมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเรานะต้องมีคนที่น่ารักทุกอย่างต้องเรียบร้อยของก็อร่อยไม่เจ็บไม่ป่วยนะแต่ว่า อันนั้นยังไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขหรือว่าไม่ทุกข์นะในสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขหรือไม่ทุกข์ได้คือการที่เรามองสิ่งต่างๆอย่างไรนะอย่างขนาดโจรมาป้นท่านท่านยังไม่ไม่ทุกข์เลยนะเพราะท่านหมองว่าก็ก็ดีเหมือนกันนะหลายคนอยากร่ำอยากรวยแต่เพราะว่าพอของหายของเสียก็ทุกข์นะ แต่หลวงพ่อนี่ท่านถึงแม้ท่านจะมีทรัพย์สมบัติมีบริขารที่มีคนถวายท่านแต่ว่าโจรมารปล้นอาอไปท่านก็ไม่ทุกนะเพราะว่าท่านนะไม่ได้ยึดมัน่นเป็นเจ้าข้าเจ้าของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็มองว่าเป็นของดีได้ซ้ำนะจะได้ทำให้หมดพารัะสักทีนะต้องเฝ้าทรัพย์สมบัตินีนะ่ใครเอาไปได้ก็ดีเหมือนกันอันนี้เรียกว่าเป็น เป็นสิ่งที่ช่วยทำให้ไม่ทุกข์อย่างแท้จริงนะไม่ใช่เพราะว่าไม่มีจนมาพ้นไม่ใช่เพราะว่ามีแต่คนทำดีกับเรานะ ถ, าถึงทำไม่ดีกับเราเรามองเป็นเราก็ไม่ทุกข์นะก็เห็นข้อดีของสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่พูดไว้เมื่อวานนะที่มีคนมาต่อว่า หรือมาเปยกับหลวงปู่ดูลว่าทำไมทำบุญสร้างกุศลแล้วไฟยังไม่บ้านนะท่านก็บอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าทำไมธรรมะธรรมะไม่ช่วยเขาให้ไฟไม่ไม่บ้านท่านก็ตอบว่าให้ธรรมะมันไม่ได้ช่วยใครในลักษณะ น, นั้นนะ้ความ ความเสื่อมความเสียความวิบัติภัยธรรมชาติมันเป็นของที่มีประจำโลกนะเกิดขึ้นกับทุกคนนะ่ะมากบ้างน้อยบ้างช้าหรือเร็วแต่ว่าคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาก็จะรู้จักวางใจว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วยังไงใจจะไม่ทุกขนะ์นะบางคนเรามาคิดว่าบุญกุศลหรือธรรมะมนี่ จะต้องช่วยให้เรามีแต่ความสุขความเจริญไม่เจอความเจ็บความป่วยความทุกข์เลยอันนี้มันก็มีส่วนจริงแต่ว่าไม่ทั้งหมดนะเพราะว่าไอ้ความความเสื่อมความเสียความแก่ความป่วยอันนี้มันเป็นธรรมดาโลกนะไม่มีใครหนีพ้นพระพุทธเจ้าก็ยังหนีไม่พ้นเลยเจอทุกอย่างที่ปุถุชนคนทั่วไปเจอแต่ว่าท่านไม่ทุกข์เพราะอะไรเพราะว่า ท่านรู้จักวางใจนะวางใจเพราะมีปัญญาหรืออย่างหลวงพ่อดีเนาะนี่ท่านก็มองว่าอะไรอะไรเกิดขึ้นก็ดีไปหมดนะใครจะว่าท่านท่านก็ว่าดีเนาะนะนะใครจะมาป้นมาจี้มาหรือจะมาฆ่าท่านท่านก็ว่าดีอันนี้ก็เหมือนกับที่หลวงพ่อรูปหนึ่งที่ที่เมืองชนนั่นบอกว่าเนี่ยคนดีอะใครปาขี้หมาให้ก็กลายเป็นดอกไม้ คนดีในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเฉพาะคนที่ทาความดีอย่างเดียวแต่ว่าต้องเป็นคนที่เห็นความจริงด้วยปฏิบัติธรรมอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยไม่ได้แปลว่าทำความดีอย่างเดียวแต่ว่าหมายถึงการเห็นความจริงเมื่อเห็นความจริงแล้วก็ปล่อยวางได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเจออะไรก็ไม่ทุกข์ใครปาขี้หมาให้ก็กลายเป็นดอกไม้คือมองเห็นเป็นของดีเป็นหมดนะ เพราะที่จริงขี้หมากับดอกไม้มันก็อันเดียวกันนั่นแหละขี้หมากเอาไปวางไว้ในสวนก็กลายเป็นปุ๋ยปุ๋ยก็ทำให้ดอกไม้เจริญงอกงามนะส่วนดอกไม้เวลามันเหี่ยวมันชามก็กลายเป็นขยะนะหรือไม่ถ้ามันเป็นอ่ามันกลายเป็นปุ๋ยมันก็กลับเป็นอาหารหมากินก็กลายเป็นขี้ใหม่ก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปกันอย่างนี้แหละ อยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นความเชื่อมโยงหรือรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์หรือเปล่าฉะนั้นปฏิบัติธรรมก็ก็ต้องเข้าใจว่ามันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงที่จิตใจด้วยนะไม่ใช่ทมที่กายที่วาจาอย่างเดียวแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ใจนะพอใจดีหรือว่าใจเห็นความจริงแล้วนะมันก็ อะไรเกิดขึ้นกับเราก็มองเห็นว่ามันดีไปหมดนะหรือว่าไม่เปิดช่องให้มันมาสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจของเราได้แล้เราก็มองแบบนี้บ้างกับคนอื่นด้วยนะไม่ใช่มองเวลาเกิดเหตุกับเราอย่างเดียวเวลามองใครก็มองให้เห็นง่ยดีของเขาบ้างไม่ใช่เห็นแต่ข้อตำหนิคนบางคนที่เก่งในการเห็นข้อตาหนิ นะตำหนิคนได้ทุกเรื่องอที่พูดนั่นก็ไม่ใช่ว่าตำหนิผิดนะตำหนิถูกนะแต่ว่าเวลาจะให้ชมนี่ชมไม่ออกมองไม่เห็นข้อดีของเขาเลยทั้งที่ข้อดีข้ อ, ข อ, ขอนี่มันมันคาตามันเห็นชัดเจนแต่มองไม่เห็นเหนะมือนกับเด็กที่อครูชูชูกระดาษเปล่ามี มีกากระบาดตรงมุมขวาครูถามว่าเด็กเห็นอะไรเด็กบอกว่าเห็นกากระบาดสีดําครับแล้วคูถามว่าไม่เห็นอะไรอีกหรอเด็กก็ตอบว่าไม่เห็นครับไม่ใช่เด็กคนเะดียวเด็กทั้งห้องเลยบอกไม่เห็นครับครูก็เลยถามว่าแล้วเธอไม่เห็นสีขาวของกระดาษเลยเหรือสีขาวนี่มันมันจงแจ้งนะชัดเจนอยู่ต่อนหน้าแต่มองไม่เห็นไม่ใช่เพราะไม่มี มีแต่ไม่เห็นอนะันนี้เพราะว่าตานี่มันไปสนใจแต่ไอสิ่งที่ผิดปกติหรือว่าข้อตําหนิสิ่งที่มันเป็นปกติเป็นธรรมดาหรือข้อดีมองไม่เห็นหลายคนก็เป็นอย่างนี้นะเห็นแต่ข้อไม่ดีของคนอื่นเห็นแต่ข้อไม่ดีของสามีภรรยาของลูกนะของเพื่อ น, นท่านอาธิเขามีความดีเขามีด้านดีแต่มองไม่เห็นนะนี่ก็ต้องฝึกนะฝึกให้เห็นพอจะมองไม่เห็นนิจใจก็จะทุกข์นะ เห็นแต่สิ่งที่ชวนตำหนิทำให้ขุนเคืองใจอาวันนี้นี่ก็มีคุณครูนภพรวชรจํารูนนะกับคณะก็มาถวายสังฆทานเป็นการทำบุญครบรอบวันเกิดอายุหกสิบปีนะก็เรียกว่าแสายิตนะก็อนุโมทนาด้วยนะแล้วก็ ก็ขอให้ได้อาศัยประสบการณ์ที่มีนะ60ปีนะเป็นเครื่องปลูกฝังให้เกิดปัญญาหรือเสริมสร้างปัญญาให้มากขึ้นรวมทั้งบุญกุศลที่ได้บําเพ็ญทั้งในอดีตปัจจุบันและในอนาคตก็ให้ด้วยให้เป็นปัจจัยให้เจริญด้วยอายุวันนัสุขาภลณเพื่อเป็นพราะปัจจัยให้มีความาเจริญงอกงามในธรรมได้พบความอยู่เย็นเป็นสุขมีปัญญาพาตนออกจากทุกข์ได้